รนเหนื่อยนอนก็เหนื่อยลุกขึ้นมาอีกอ้าวลงทางยังกนมลงกลอไม่ต่อสว่างเฮ้อกลางวันมันยังจะไม่นอนคนจะตายมันก็ยังไม่ถอยนี่แหละกําลังของจิตเวลามันเอามันเอาจริงมันสูงจริงเวลามันหมอบมันก็หมอบจริงจริงกิเลสอำนาจกิเลสอํานาจของกิเลสเหยียบมันมันหมอบมันเห็นทั้งทั้งเรื่องกิเลสเหยียบขึ้นหมอบเห็นแล้ว เอาสติปัญญาเยียบกิเลสจนหมอกไปเห็นแล้วนี่เพราะว่าไงแต่พออันนี้ขาดไปปั๊บนี่นั่นก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะขุดค้นหานะ่ะนั่นเป็นงานหนึ่งนั่นคุยเคี่ยวหายนั่นการคุยเคี่ยวหาก็เป็นงานหนึ่งพอเจอแล้วก็เอาอะไรที น, นี้นั้นได้งานแล้วทีนี้ฟาดกันอีกแล้วบางอย่างมันควกเข้าใจแล้วมันก็หลุดลอยไปเร็วก็มีช้าก็มีที่มันช้าบางทีมันจะตายอะ่ะ พเพราะม่ได้อยูย่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดแต่เห็นเอยู่โดยลาพังเราเนี่อะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นอัตตาเหตตัณฑ์นาโถ่ี่น่นเหลือกาลังจะตังยิงก็วิ่งมาหาท่านสักทีหนึ่ง ท, ง ท, งทำให้จะเป็นยิงก็ไม่มาเพราะมันไกลาลาบากการตกากันมาเดินตั้งแต่ออกจากที่พักจนกระทั่งมาหาท่านนี่มันไปไหนจิดมันดูกระตวน้นมันเดินจงกรมมาเลยอืม พอออกจกท่านไปก็เดินอย่งกลมไปเลยมันไม่สนใจกับความกล้าความกลัวว่ามืดว่าสว่างขํามๆจนกาลั ง, งมืดเริ่มมืดแล้วถึงออกจากวัดทา่านกมีนนู่นทางนั้งสิบสามสิบสองสิบสามสิสี่กิโลทันไปของมันได้สบายเฉยไม่สนใจกันเมันก็เหมือนบ้าเมันไม่ได้บ้ามันอยู่ข้างหนหนุ่นใครไม่เห็นด้วยไม่รู้ด้วยทา่านก็สิลูกอยู่เห็นอยู่พอไปถึงกับ น่มันก็เป็นความเพียรกันอยู่แล้วเขาไม่ทราบอะไรเป็นคอมเพียรอะไรไม่เป็นคมเพียมันเป็นคอมเพียอยู่แล้วตลอดถึงระยะมันเป็นเวลาหมอบมันหมอบจริงๆ น, นั่นของยุเรศมัแหม่แหม่แล้วอันที่เวลามันได้ที่มันถึงฟาดกันยังไม่มีปณีภาสส วันนูดกับท่านแบ น, น, นท่านอ้วนคือมาจากวัดบ้านนมน์มาด้วยนี่ก็เลยทําำประเห็นให้ได้พูดถึงเรื่องบ้านนามนก็เป็นวัดนามน์นี่เป็นวัดเทีย่ยรด้วยกันหนึ่งเหมือนกันเพราะตั้งแต่เราบวชมาการอาหมทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันก็มีพรรษานั่นในชีวิตของเราน่พรรษาที่สิบคือมันเริ่มมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเลยเดือนพฤษภาะมาจาก พระธาตุพนมกับพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านไปเผาตบท่านกันเนี่ยครู อ, อ, อาจารย์เสาเน่ะกลับมาก็ไปรับท่านแล้วมาด้วยกันก็เข้ามาอยู่วัดนโมลิธรรมศาหมุ น, ม น, นมตื้ว ต, ติ้เริ่มมันจน่นุ่ะเรื่องสมาธิเ น, น่นแน่นมันจะนุ่นดังนั้นบาเกี่ยวเขาสมาธิกับปัญญาที่เวลาเข้าจนกรอกมันเป็นปัญญาสายฟ้าแรกสิมัดคอแต่ <c oughs> ก, กันไม่มีปัญญากับมัดแต่กันที่ไม่มีได้ ใช้ปัญญาได้ยังไงเวลามันจะตายมันจนกรอกในมุมก็ต้องใช้ปัญญายิ่งเวลามันรู้ขึ้นมามันก็รู้โดยปัญญาที่ว่าแต่เกิดความอาตหาในเรื่องความเป็นความตายอือะไรมันตายพิจารณาจนกระทั่งถึงหาอันตายไม่ได้นี่ทีนี้มันกลัวอะไรมันกลัวตายเออโกหกกันน่ีหน้าแดงไปนี้ดิ่งก็เป็นน้ำเป็นน้ำลมเป็งลไปใจที่มันกลัวตายมันก็ไม่ตามยิ่งเด่น ยิ่งเห็นจใจมันตายได้ยังไงนี่เนี่สงาพาพ่าภาคภูมิรู้เด่นมันตายได้ยังไงนี่เนี่ยโอ้โหกกันนี่แหละเดวพันศาสนี่มันเอาวันเต็มอยู่หักผมร่างกายนี่หักผมมากจีิงนะกลางวันไม่นอนเลยตลอดดูเอ๊ อ, อกลางคืนโอ้กลางกลางวันมกลางวันไม่นอนเลยเว้นแต่ละวันไหนนอน นั่งสมาธิตลอดลุ่มวันนั่นจะยอมพักกลางวันให้ถ้าวันไหนไม่ธรรมดาท่นนั่งทำมุ่งเพียรธรรมดานี้กลางวันไม่พักให้เลยไม่นอนในบัญชาลกลางวันนะไม่ยอมพักเลยนุ่นแต่ว่ามันมัน ห, กหักโหมมากเลย นั่งแขนยหารเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่เราไม่ได้กคิดจะต่อสู้มันนั่งแขนยหานเดยพริกนั่งขัดสมันนี้ไม่ได้อคือเรานั่งขัดสมานคืนเหมือนกับว่ามันผองมัดก่นเรากระดูกมันมันจะแตกทุกข้อทุกท่อนเหล่านี้เหล่านี้มันกระดูกมันต่อกระที่ไหนแม้แต่ข้อมืออย่างนี้มันยังเหมือนกับมันจะขาดจากกันนันเป็นมัดเวลามันขึ้นมันขึ้นมด ทุกิทุกเนี่ย ท, ท, ท, ท, ท, ทุกมือก็ัญญาฟัดลงแหกก็ ไ, ได้เนะี่ยมันอศัศจรรย์นะมันล้างกันได้นเนยเลยจนทั้งหายจนมาทั้งร่างกายไม่มีเหลือเลยไปไหนเหลือแต่ทําพามอาศัศจรรย์ของจิตดวงนั้นิสับแต่ว่าปรากฏหนักเวลาถึงเข้าถึงจิตแน่จิตนั้นกำยังมีอวิชชานะมันหักเป็นของอศัศจรรย์องมันเพราะมันค่าอะไรจอกทั้งหมด เหลือแต่ความรู้ความรู้นั่นก็เป็นความรู้ที่อวิชชาแล้วแหละตอนนั้นมันไม่รู้ว่าอวิชชาไม่อวิชชาแหละมันเห็นแต่ขอบอัศจรรย์โอธรรมชาติที่มีเมื่ออะไรก็สิ้นไปหมดที่ไหมดในความรู้สึกแล้วเหลือแต่สักแต่ว่ารู้อันเดียวเท่านั้นทำมาสักต่อรูกทำามถึงอัศจรรย์นักงานมันเป็นสองอย่างหรอกอย่างหนึ่งเวลามันรอบของแล้วเมตนาก็เป็นเวทนา ตางอันต่างจริงกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่านาจิตก็เป็นความจิิงของจิตต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่อันหนึ่งอันหนึ่งพอมันมันรอบมันแล้วเวทนากระดับบุบไม่มีเหลือเลยกายก็หายพร้อมกันเลยมันเป็นทสองอย่างเท่าไหร่เรอจะเป็นอย่างไหนก็ตามเราไม่ได้ปรุงในแต่งมันมันต้องเป็นของมันเองก็มันก็สนุกเป็นความรู้สึกสนุก เป็นขัดขีพยานด้วยเพราะมันเป็นความจริงด้วยกันเนี่ยมันดับหมดก็เป็นความจริงอันหนึ่งมันยังคงคงอยู่แต่ต่างอันต่างจริงนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่ว่าปัญหาที่หนักมากที่สุดในชีวิตของนักบวชนี่นะผมหนักมากปัญหานั้นแต่มันก็ไม่มันไม่ได้สนใจว่าเป็นภาระว่าหนักมากหรือนะ่ะคือความมุ่งมั่นมันมันมากครับ มันหักจำไม่ลืมกลางวันไม่นอนเดินเป็นขมหมากนี่ไม่แตะเลยล่ะหมากกระฉันอยู่แล้วอยู่อล้วกระฉันแต่ในสามเดือนไม่แตะเลยหมากไม่เอาทิ้งหมดจดิลังประสาประสาแล้วไปเลยมันแต่ก่อนมันหีหมากอย่างนี้นะเขาก็เอามาถวายกระฉันไปนั่นคือฉันมาแล้วปีนั้นมันหักผมจนทิ้งทิ้งหมดเรื่องหมากล้างอะไรไม่เอา เป็นกังวล่เอาทิ้งหมดเลยจิตมันเป็นเหมือนหินนะสมาธินี่มันจิตนี่เป็นเหมือนหินมันแน่นปังสมาธิแต่มันไม่ใช่ปัญญาถ้ามันใช้ปัญญามันก็จะไปรวดเดียวกันนั้นเพิ่นจิ้นดูกับสมาธิจริงจิ๋ว มันสบายมันไม่ยุ่งกับอะไรจิตมันอิ่มตัวของมันอิ่มตัวในขั้นสมาธินะมันจะอิ่มตัวโดยการพ้นปลุกพ้นโดยประการต่องๆมันอิ่มตัวในสมาธิมไม่ยุ่งกับอารมณ์อะไรลูกเสียงไม่ยุ่งมันสมายอนี้เวลามาค้นทางปัญญาเนี่มันถึงจะมีงานมากขึ้นมาโอ้โหงานปัญญามีงานมากงานหนักงานหิุไม่ได้รั้งไม่อยู่ พิจนาร่างกายก่ตอนรู้ผ้ารูุฟังนี้มันผาดผลนมากนะความจะปล่อยกันได้มันผาดผลนมากมันคล่องตัวมันมองเห็นลายเป็นสว่าไปหมดในความรู้สึกนั้นเหมือนกับมันเป็นพื้นอยู่เลยเนาะเม่อหร่นั้นมันถึงปล่อยของมันได้พอมันรู้เต็มตัดเต็มส่วนหาที่นึงสารก็ได้แล้วมันก็ถอนมันก็รู้จากนั้นมาไม่เอา เรงพิจารณาร่างกายไม่เอาเลยนะมันรู้จะท่านมันอิ่มแล้วเนี่ยมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันมันก็รู้เวลาพิจารณาสุภาษเพลินเพลินนี้มันก็เป็นรสของมันอันหนึ่งกันนะที่เดกมันยังมีอยู่ก็เหมือนกับไฟตามเชื่อมันนมันก็ไหม้กันไปด้วยอยู่พอมันหมดเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วมันก็ถอยกรูดเลยนะไม่เอามันจะสัมผัสสัมพันธ์กับพวกนามาทําเวทนา เวทนาเกี่ยวก้องร่างกายเวทนาเกี่ยวกับงผิดสัญญาเราสําคัญสัญญาเราสำคัญสาคัญมากละเอียดมากนะตัวสัญญาเนี่ยเอากปหนีนั้นแหละเป๊ะแปเปาะแปะไนนั้นไรกว้างฝังอะไรเพราะอะไรมันก็มันรู้หมดแล้วมันปล่อยหมดมันไม่สนใจเลยรูกเสียงเปรยเครื่องสัมผัสมันเหมือนอยู่คนเรทวีปเวลามันปล่อยมันมีแต่ ผตัวเดียวนี่เป็นตัวโทษมันเหมาของนี้ใช่ไหมเนี่ ย, ยตัวโทษมันแสดงแยกไปแยกไปเนี่ยมันหมุนอยู่ตรงนั้นได้อันนั้นเขาไม่ใช่โทษรูปเสียงกินรถไม่ใช่โทษออะไรๆ ไ, ไม่ใช่โทษตัวนี้เป็นโทษตัวนี้เป็นตัวเหตุเนี่ยมันก็เมากันลงจุดเดียวจุดเดียวจนกระทั่งมันพร้อมแล้วให้ถึงบทเฟตีนี่ก็หยุดไม่รบกันนละ นี่ไรัใส่เวทีกายนออกเวทีกายกใส่เวทีของนามาทำเรืมม่องสีเวทนาแสงจ้าสังขามีง า, า, านะเข้ากับจิตเข้ากับจิตหมุนกันไปอนีน้ออกมันนี่เข้าจิตเอา น, นี่เข้าจิตทีผลสุด ท, ท้ายเหล่านี้มันก็รู้กันหมดอ่ามันปล่อยเข้าไปอีกแล้วเรื่องเหลือแต่จิตแยกออกมาก็จิตเนี่ยทีนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับว่าแยกไปอะไรเรื่องอะไรมันไม่ไปตามแล้วนะแต่ก่อนมันมันตามพิจารณารู้เริม่มกระดับไปรู้แล้วดับไปพอมันมันรู้จริงๆแล้วมันปล่อย มันยิยบยิมแบมันดูตั้งแต่ยิยบยิยบกับธรรมชาติที่เป็นฐานห น, นึ่งฐานหลอกรวมใหญ่ฐานวิชากับกิ่นไป็นเดียวกันมันหมุนนะวัดเวทีนั่นทางบาแรัมันก็เลยเลิกเวทีก็นะครับจะลบยังไงตอนยังไงอีก ให้หมูเพื่อนแล้วก็มดใส่มดพุงนะผมขอให้เห็นใจเกับหมูเพื่อนผมพยายามที่สุดกับหมูกับเพื่อนทุกยากขนาดไหนผมก็ทนเอาเพราะความสงสารเนี่ยพูดให้มันเต็มเม็ดเต็ ม, มเหนืมม่อยนะสงสารจริงๆไม่ได้สงสารเพียงเสกสรรบันยอนนะมันเป็นภายในจิตจริงๆเพราะงั้นมองดูแลไรมันจึงมองจริง ๆ, ๆมองหมูเพื่อนไม่ได้มองเพื่อนแต่มายกโทษยกกรันแบบยกโลกโ ดูตรงไหนว่าตรงไหนมันเป็นความจริงตรงนั้นแก้ตรงนั้นที่พูดง่านเหมือนอย่างนั้นยาเปิดตรงนั้นเหมือนอย่างนั้นปิดป้องตรงนั้นไว้สิมันจะตายน่ะคู่ต่อสู้เขาใส่ผางเข้าไปนั้นเสร็จหน้าความหมายว่าอย่างนั้นงานได้จะยิ่งของงานของจิตพร่ะมันจะลำบากที่เกลียขนาดไหนยาไปถอยมันความขี้เกียดคือตัวกิเลสนั่นมันลบความเพียรน่ะ ให้ถือเป็นจุดอันหนึ่งขึ้นมาให้ถือเป็นเหตุหนึ่งขึ้นมามันม ข, นขนี้เกียจมานำคาญตัวนำคาญตัวขี้เกียจนั่นคือตัวที่เหล็ดวัดมันลงไปแล้วอันนี้มันจะเลิกตัวมันถอนตัวมันไปเราจะเห็นคุณค่าของการเปลี่ยนในตรงนั้นแหละแตามันขี้เกียจมันนำคานอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราล้มไปเสีย น, นั่นแหละมันได้กําลังมันเพิ่มกําลังให้ตัวขี้เกียจขึ้นตัวนำคานขึ้นนั่นแหะตัวที่เหล็กมันนำคาญตรงไหนเอาโดนนำคานนั้นเป็นเหตุเลย เป็นป้าหมายแวามเปลี่ยนฟัดกันลงตรงนั้ น, นเวลามาันรู้กันแนละ้วอ๋ออันนี้ก็เป็นยิลเลนี่เอาล้วอหรเหอเท้าเราบ้า